มันผืนมากขนาดได้ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่ยังเป็นนาคยังไม่มาบวชเนี่ยทารมาไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เปือกหัดแล้วก็ลาบากมากอย่างพวกพระรังสิที่มาอยู่เนี่ยท่านก็มาทุกมากเป็นพระที่ตายคืนตรงนั้นนี่พระพระรังเนี่ยตายหมด ทำไมถึงรู้ว่าสันายผมไปถึงเมืองท่านไปดูประเพณีเมืองของท่านไปดูเลยตายมาถึงวันเรามีพระทิ่ตายหมดอยู่ในคนห้าปีหกปีเป็นตายแล้วเดินทำไงชอบสนุกสนานตามอกตามใจทุกสิ่งทุกอย่างมาที่นี่มาให้ทาบีมันบีค่ายๆว่ามันบี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 ถ้าศีลสูตสัมเนธที่มาจากมันนอกเนี่ยไมมากบางงง่ะทากว่าขึ้นส่วนมากถ้าว่าบ้านท่านใกล้ๆเหมือนกรุงเทพนี่ไม่ได้อยู่แล้วหนีกันไปหมดเลยไม่อยู่แล้วโอ้อันนี้มันข้ามตะวีปมาเสียมองมาเห็นถึงเนี่ยมันทุกอะไรก็ยอมตายมเหมือนเธทนไปทนไปการอดทนนี่จรงเป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นราฐานเขาผู้ปฏิบัติ ถ้าบ้านอยู่กรุงเทพนี่คืออดทนคงจะไม่ไหวสักเละคงจะไปกรุงเทพอย่างนี้ไปกรุงเทพสักเละเนี่ยอันนี้บ้านมันต้องข้ามทวีไปแล้วลึกกว่าจะไปโอ้โหลำบากด้วยกันนะจําเป็นก็ทนตำฉันส้มมะกออยู่นี่แหละอืมฉันปนอยู่ฉันผักอยู่นี่วุ่นวายอยู่นี่ทําไปนานา น, นานานานมันก็ชินเลยดีอีกสักะสินี่ย อดีอยู่ลยยแล้วชอบข้เหนียงอยู่แล้วเนียก ว, ว่ามันเกิดใหม่อืมนะทุกองจะต้องเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนอาหารสารพัดอย่าง น, ะนี่มันฝืนใจอย่างนี้การฉันก่อนว่าฉันอยู่ในบาทบางดีกว่ามีข้าวมีหวานใจต้องไปตรงนั้นเนะเออโอ้ ใครจะชอบใจมันก็ไม่ชอบใจแล้วทุกคนรองอมด ท, ที่ถ้าเกลียดไม่หมดถึงก็ขัดของมันเรื่อยไปแหละเอาอาหารเทลงไปนในบาติอาหวดพักทองเทเข้าไปอีกสิเอาจะมีไม้เกลียดดูว่ามันขัดขัดของของนู้นนั่นแล้วมันเป็นของมันอยู่นี่เรียกว่าการขัดเรียกว่าการฝึก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 เรามาฝึกมันเป็นพ้ะก็มาทําตามสิ่งที่มันจะให้มันเป็นพระอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติแม่ตั้งแต่การเข้ามาบวชเป็นหน้าก็เริ่มมาแล้วบางคนนี้ไปกันคืนเลยสเสด็จนี้กันคืนถูกพระเน้นดีๆเลยกไปไตม่บอกสเสด็จไปกันคืนเงียบอย่างนี้นี่เป็นเต็มที แต่ว่ามันเต็มทีแต่คนที่มีกำลังน้อยคนที่มีกำลังมากมีสรา ม, มากไม่เต็มที่นะหนักก็ทนทุกยากลาบากก็ทนอยู่โวยการอดทนไม่ใช่มาบวชมาทำตามใจเราทำตามใจเราเมื่อวานเชินนี่มีพวกหญิงกรุงเทพมาเข้ามาขออยู่ที่ น, นี่เฮ้ยหนูน่อยู่ไม่ได้หรอกเนี่ย ได้จะค่ะอีฉันชอบอยู่ป่าเอา้ามันฉันมือเดียวนีย่ยมือเดียวอีฉันก็รองมาแล้วไม่อยู่อยู่ไม่ได้ได้ไมาอยู่ได้สามวันหลยน้าซีดจะเนีงง่ยมากราบเจลาต บ, บา น, นพ่อหนูเจลาต บ, บานทําไมล่ะนิวข้าวไม่ได้กินข้าวหรือกินไม่ได้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 ปลูกศรัทธามากๆเตรียมทัวไว้แต่บวรสมาศรัทธามันพังคือมันไม่รู้จักกันเองเแี่ เ, เราคิดว่ามันจะดีมันจะสงบระงับก็เราไม่เห็นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเราออาเป็ น, เ, นเมื่อเข้ามาจริงแล้วนะ่ะมันไม่สงครามศาของเรา มันก็เลยไปแฉะนั้นรากฐานที่แท้จริงที่มันดีนั่นอยู่ในการอดทนไอ้ความอดทนมันเป็นของที่สำคัญมากมันต้องฝืนจิตใจของเจ้าของ เ, เชื่อครูบาอาจารย์ผู้จะแนะนำคาสอนและมีตัวอย่างเยอะ ม, มากๆทำไมท่านถึงปฏิบัติอย่างนี้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 เดิมทีที่มาอยู่สามสี่องค์แค่นั้นมันก็ง่ายเมื่อร้ายองค์ขึ้นมามันก็ลำบากขึ้นทุกอย่างก็ตั้งข้อปฏิกาเซนมาอย่างการขบฉันไปบินทบาดมาฉันอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องยากในสิ่งที่มันยาก แค น, นั้นที่วัดนระค์นี่จึมีข้อกติกากตั้งขึ้นมาจะไปบินถบาตมาสายไหนก็ตามเถอะเอามาเดีมารวมกันแบ่งกันนเพื่อความพร้อมเพียงเพื่อความสม่ำเสมออย่างนี้ไปบินถบาตมามีมากมีน้อยเท่าไรก็เอาออกมารวมแต่กระมังอไรกัแยกบางทีมันแยกเป็นธาตุบางทีม มาใหมม่าทีเรา ม, ม, มันมีทงางหัวมันมีทางหางมีทางกลางตัวเมื่อมาเข้าส่วนก็หนีหมดในสิ่งที่มันตกบาปนามันไม่เห็นกันแล้วก mm. ไม่สบายใจอ mm. ไม่สบายใจเ mm. มื่อ mm. ไม่สบายใจกะคิดจะช่วยกิเลสทั้ง <c> ท <oughs> มันจะช่วยกิเลสที่เนี้ นะมันจะช่วยกิริตตรงมันแล้มันจะเลี้ยงกิริสก่อนเรื่อช่วยจนมันเลยช่วยกิเลสมีเป็นต้นมาระวบางทีไม่ยอมแบ่ไม่ยอมแยกออกเนี่ยถ้าเป็นกันอย่างนี้ทุกๆุกท่านทุกๆุกองแล้วมันก็นับวันมันจะแยกกันออกไปมันจะแยกกันออกไปไม่เห็นเนี่ยอ่า มีชนกลุ่มหนึ่งพระกลุ่มหนึ่งเข้าไปอยู่ในป่าถือว่าไปบินสวาสดิฉันของใครก็เอาเถอะมันตกในบาดใครก็ฉันแถวนั้นแหละถือส่งกันอย่างดีนะเออแต่ว่ามันถือส่งอย่างนี้มันก็มีกําไรแเจัวหน้าพระอาจารย์แถวนั้นแหละอืมีของกับชิ้นหนึ่งสองชิ้น มันไม่ครบพระอาจารย์เป็นหน้าไปก่อนก็ก็ให้อาจารย์เท่านั้นแหละอย่างงั้นก็ทุลงอาจารย์ก็สบา ย, ยได้มากุฏิพายกับกติฉันสบายเยอะกว่าทุลงไอ้พวกนั้นมันถือทุลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นทุลงไปอาจารย์เยนี่ยใครๆก็อยากถวายอาจารย์ใครๆอยากถวายอาจารย์นไอเนนตัวนิดๆ <c oughs> เดินตามหลังนี่ยนั่นก็ไม่มีอะไรนะจะทำยังไงเนี่ย นี่การกระ ท, ทําเจนี่เพื่อความแบ่งปันเจอาจารย์เนี่ยมันพั่ถึงนี่ข้อวัดอันนี้อบางคนก็เห็นว่ามันไม่พอใจของเราอันนี้เราไปบิณบาตมามาวันเนี่หายแต่แล้วบางทีมีอะไรที่เขาจับแสดาบงกลับไปวัดนึกว่าจะดสรตรงนี้มาถึงแล้วไม่เห็นแะแล้วไม่รู้ใครเอาไปแล้วแบ่งกันไปอย่างเนี้ย นะน้าลมจาก็ไม่สบายใจต่างนั้นแหละนั่งคิดจะทําลายต่นั้นดิเอาอยัางไงอะไรยังไงเนาะนี่นี่นี่มันเป็นอย่างนี้มันจะเป็น<ม>นี่จะียกว่าขอวัดปฏิบัติอันนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนํนสำสําสอนมีอํานาจชอบอยากเจะะ ร, กริญร่ำกันไปอยู่กันดิ สอ ง, งสองค์สาม ง, งทีวงอ์มันมีแย่งกันทะเลาะกันแหละเพราะอันนั้นเพราะอันนี้อันนี้อันนห้นคนนั้นในมากคนนั้นในน้อยไอย้ความเป็นจริงอันนี้เราไม่มามาปฏิบัติเอาสิ่งท่งางยเหล่าเนี้นอนดีกินดีอะไรดีเลยไม่ใช่เรามาเอาอย่างนั้นที่เรามาบวชนี่อเรามาบวชเพื่อปฏิบัติตามธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเอาอยู่ดีกินดีกันไม่ต้องมาบวชแล้วอยู่นอกก็พอแล้ว ไม่ต้องมาหาในพระศาสนานี้อยากได้อะไรอยากทําอะไรก็ทํามาอยู่ในนอกๆ อ, อยากกินอะไรก็ไปเลยมันสะดวกกวนี้ในอยู่ดีกว่านี้ในกินดีกว่านี้นยะแต่ว่าดูรู้นะปลายทางมันจะเอาเลยนะต้นทางมันสะดวกระวังปลายทางเนยจะร้องไห้เลยนี่ ที่เรามาทำเนี่ยเรียกว่าเรามาทำตามคําสอนพระพุทธเจ้าเรานำถือพระพุทธเจ้ามาทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าเราจึงมาทํากันอย่างนี้ถ้าเราคิดเช่นนี้มันก็ไม่มันก็สามัคคีกั น, นไม่แย่งแย่งกลืนกันในกันเป็นสมนามัเพศ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 แม่กติที่อยู่ก็อาศัยคนอื่นเขาผ้านุ่งผ้าห่มก็อาศัยคนอื่นเขาอาหารการกิกันอาศัยอื่นเขาให้เราจะเอาตามปรารถนาของเราไม่ได้ท่านพรภาษานี่บุตรท่านรู้จักกิเลสของท่านมันวุ่นวายเดินไปวิญธาบาตกิจของท่านก็อเด็ด ท่านอยากอะไรบอกว่าอยากจะให้เขาให้เร็วๆให้ของรนอนๆอยากให้ของเย็นๆแล้วให้ของที่ชอบใจมันคิดอย่างนี้ไม่หยุดเหมือนกันเนี่ใจของเรามันคิดอยู่อย่างเนี้ย่เรื่องของพระชายาดีบุตท่านผูมีปัญญาท่านกระปล่อยมันคิดไปทีทีเดียเนี่ยจับบาตรไปยินทบาทไปยืนอยู่เจ็ดเจ็ดเื้ยเนี่ย น้ำ박ใจก็อยากให้เขาให้เร็วๆยืนอยู่ตังนานแล้วเข้ามาให้ไก้อนข้าวเท่านี้ยไม่พอใจเสียไให้ของที่เราไม่ชอบด้วยของชอบชอบไม่อยากให้ให้ของเย็นๆไม่ของรอ้อนก็ขัดด้วยไปยท่านภาษาดีบุตรท่านก็ปล่อย้มันคิดไป พ่นาไปสกักกตามดูเหอเออท่านดูเรื่องมันไปในรูกนี้ท่านก็รู้จักมันเนี่ยแต่าอก็มาคิดใหม่นะสอนจิตจะาของเมื่อเไปถึงในบ้านยืนท่านบอกว่าท่านจงอย่าให้เราเร็วให้ช่าๆนั่นมันตัดกันแล้วก็ให้ของห ย, ยาบๆย้ายของละเอียดแกเราเลยเ ย อ, อยาให้น้อยอยาให้มากพระพุทธพระเอสาธุบัตประเทศตัดไปดียที่ทำไมตันมาให้ช้าช้าเพื่อมันอยากจะได้เร็วตัดมันอยากจะได้ของดีๆเลยอยากของดีให้เราอยากเจริของละเอียดเอาของลยาอียดให้เราอยากให้ของละเอียดแกเรา เนเอาของเงย็นเย็นจะเอาของร้อนมานให้กิแค่ว่ามันทําไมมันอยากจะได้ของร้อนอยากจะได้มากมากด้วยอืนี่ท่านคิดติดตัดปัญหาออกด้วยนี่มันก็แยกกันไปมันก็เป็นประพุทธเจากันเทวทัศน์ไปในตัวมันแหละนั่นแหละสิของมานพระท่านปราบพยามารมานที่มันเกิดจากใจนี่เองไม่ใช่มันเกิดจากอย่างอื่นเนาะมันเป็นใจอย่างนั้น แย่งไปดิท่านผู้มีปัญญาไม่ตามเราเขาไม่ดูจักพลิกตัวเราแล้วทามันอยากจะได้มากก็ได้มากเมื่อไรเขาให้น้อยไปไม่พอใจอให้ของอยากจะได้ของละเอียดละเอียดเช่นนั้นเนี่แต่ให้ของอยากอยากมันก็ไม่พอใจอยู่เรื่อยไปอาการที่ไม่พอใจคือความไม่ยินดีในของที่มีอยู่นี่เหลย่ยไม่ใช่ทางปฏิพานไม่ใช่ทางคําสอนของพระพุทธเจ้า มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นจึงถูกทรมานครูว่าอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติต้องถูกทรมานหลายอย่างไม่ใช่ประมาณอยู่อย่างอื่นมาอยู่ที่ตัวเราเนี่แหละจิตใจทุกคนที่เราเข้ามาบวชเนะี่ยคนมีจิตเดียวกันนัะนไม่ใช่คนนม่มีจิตเดียวกัน พอนอนกลางคืนพอตีสามขอรั้นตะคังนี่ไม่ชอบใจแล้วไม่ชอบอรอกแต่ว่าบางคนก็ทําตามใจมันซะบางคนก็ไม่ชอบแต่ร้านมันนอนไปซะนี่มันจางขนาดนี้คนเลยไม่ชอบใจเท่นั้เรื่องข้างในจอดไปเรื่องอีกพอใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าตอนจึงสอนอย่างเนี้ยให้กินน้อยให้นอนน้อยให้มัดน้อยอยู่ ดังนั้นพวกเรามาปฏิบัติตามท่านต้องมาปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติเดือดศีลเดืองสมาธิเดืองปัญญาแน่ยถือโรงรขวัตอยู่ป่าเป็นวัดฉันมือเดียวเป็นวัดกนรผนเดียวเป็นวัดฉันในบาทเป็นวัดอะไรทั้งหลายเราเนี่ยอืมให้มันเป็นวัดไปอย่างนี้ใครจะชอบก็ไม่ชอบนะ ไม่ชอเพื่อให้เกียดมันฟูขึ้นมาเราตัดหน้ามันดูที่มันจะเป็นยังไงไห ม, ไ ม, ไมผมเคยไปจำภาษาอยู่กัหลวงจาองคหนึ่งแต่ไม่เจผมผมเป็นสะรุ่นรุ่นท่านก็เป็นสะผู้ใหญ่ท่านปฏิบัติก่อน่นท่านไม่่อยรู้จักเกลียดเท่าไหร่ ไมรู้อยู่กับคิชาตเออเอาข้าวมาเอาขาเหนียวปันใส่บาทเอาพอดีนะให้มันพอดีปันใส่เยียงๆบาทรก็ติดข้างบนสนะิติดไหมันเหนียวแล้วไมเขาจะเอาแกงเทลงไปนะนะั่นแ่ะเอาแกงเทลงไป เมื่อเอาแกงเทในไอ้คนแก่นะนก็อยากจะได้แกงเนี่ยอยากจะเด้น้ำน้ ำ, นำมาเทลงไปเนี่ยมันก็ไปแช่ข้าวเหนียวซะคิดมาวยาจะให้อีกับับข้าวนะมันถูกกันเอาข้า ว, วนนะอยู่ขนะ้านติดไปข้างบ น, นง เ, เ, เนี่ยยังเดือบก็เทลงไปเรื่อยๆน้าแกงก็ไปแช่ข้าวเหนียวนะเดืยบมันกตกตออกมาเอิบฟังเสียงนะอืมหวแต่นี้มันไม่พอใจนะ ทุกวันมีแต่หงุดหเรื่อยเรืยเลยพอจัดเสร็จแล้วเราก็ยิ่งอนุโมทนาช้าๆไม่ต้องเอาเรียวแนละ้วให้เข่าเนี้ยมันโ ด, ดนตรงตุ้มใส่แกงซะก่อนถึงยะท้าวว่าดีวะเอาไปได้ด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยพันษาหนึ่งไม่รู้จักกิเลสอย่งนี้ไม่รู้จักกิเลสอยากจะทําตามใจของเขาออกพรรษาแล้วด่าเราฝเข้าไปแล้วไปต า, ปาปมใจมันดีเถอะมาทําคนเดียวเลย ฉันเขาเย็นเลยทุกวันฉันสุราด้วย <c oughs> นั่นเขาทําตามใจเขานี่ยมันเป็นไสอย่างนั้นคือเราไม่ฝึกที่ดีมันไม่ยอมฝึกเออเาตามใจของแก่กองนั้นไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนความดีอยู่ที่ไหนเขาเห็นว่าความดีอยู่ที่เขาชอบกันอะไรเขาไม่ชอบมันไม่ดีทั้งนั้นนง่ายๆอย่างนี้ก็เลยออกจากทางที่ดีไปแล้ว อันนี้เป็นต้นฉะนั้นพวกเราสังลายกับวันกันสารพัดอย่างอสิ่งที่มันเป็นมานะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราจะละมันไปจริงๆมันเสียดายนะมันเสียดายไม่รู้มันเป็นเันเสียดายนะฉะนั้นข้อวัดอย่างดีที่พระพุทธเจ้าของเราสอนให้เราปฏิบัติเนี่ยมันขัดเราีริง แต่ว่าเรามันแยกยกิเลสกับเราไม่ได้มันเอากิเลสมาเป็นเราใชะมันเอาเราเป็นกิเลสจะไม่รู้เรื่อ ง, องว่าจะมาตรงไหนจะทําอะไรกันจะทรมานตัวเราจะทรมานกิเลสแล้วก็มาถูเราจ้ะโ<ม>ดยไม่ได้ทํากันอันนี้เป็นต้นจึงตั้งพอวัดปฏิบั ต, ติในที่นี้มีการทรมานเพื่อวันรุ่งทำ ทุกปีจะต้องอบรมกันอย่างนี้เรื่อยไปบวชเข้ามาแล้วนะปฏิบัติข้อที่ต่านคัางกติกาที่ตันทำไปแล้วเนะี่ยไม่ใช่ว่าเราได้คิดเอานะเราอ่านข้อกติกาที่ตันทาตอนเช้าตอนเย็นท่านทำให้ดูแล้วเป็นของไม่ยากนะมันเห็นแล้วํำได้ไม่ยาก ที่มันยากน่นคือมันไม่พอใจจะทําอย่างนั้นมันไม่เห็นด้วยนั่นเองไอ้ความเป็นจริงริงทั้งหลายแล้วนี่ครูบาอาจารย์ท่านอันนี้ท่านจัดมาแล้วทาอย่างนั้นทำอย่างนั้ น, ท, น, นท่านบอกว่าว่าจะทำท่านเป็นคนจะบอกต้องทําอย่างนั้ น, เ, นเราไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ทําตามที่ท่านบอกแ่า น, นั้นเป็นพอวัดแถว้นไม่มีอะไรเป็นของง่าย ไม่ใช่เป็นของยากแต่คนเรามันมีจิตเดแต่มันได้เป็นของยากมันลำบากอันนี้ขอฝากไว้ให้หนาทั้งหลายพิจารณาดูนะจะเข้ามาเห็นแต่ว่าสุขปฏิปทาทุกขปฏิปทาอย่างหนึ่งมีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเปนิีบาตต่อไป บางอย่างมันมีสุขในปัจจุบันมีทุกข์อยู่ในบาปต่อไปมสลับกันอย่างนี้พูดง่ายๆแต่มันเป็นนักลบบ้าจะรบกับใครข้อวัดทั้งหลายเหล่านี้มันหมดเลยเนี่ยไม่มีใครจะกล้าทำละ อ, อ่อนกันไปทั้งนั้นเล่เนี่ยไม่ไปมีใครทํา ใจมาชันมือเดียวกันนี่ก็โโหเตรียมทีแต่แล้วคิดแตามันเตรียมทีแล้วไม่มีใครกล้าจะทำแล้ว <c oughs> ชันสองมือน่ะคือใครชั่ว่อยมันหย่อนลงไปเรื่อยๆไอ้ความเป็นจริงเนะี่ยตามผมพิจารณาอ่ะชันเพนเทนนี่ก็เดี๋ยวเพลานั่นเองมันเทลานลั่นแหละ จะฉันใช้สายมันก็ได้มันเป็นเวลามันเินเวลาเจ้าไปชวเที่ยงกันมือเดียวเนี่ยคุณง่ายๆใช่จ้างความจริงของมันเนี่ยอืมัมนเป็นเวลาเทนก็เรียกเป็นเวลาในขั้นพุทการท่านประฉันอย่างนี้ท่านก็ทําอย่างนี้ในสมัยนี้ไม่ไกลดี ในบาตรในนี้สมัยนี้บาตรที่จะฉันในบาตรไม่เคยมีแตแล้วยิ่งไปรูยิงไปดูที่ที่เขาอยู่ตามธรรมดาเขาเนี่ยไอบาตรที่ไปเป็นาวรนั้นเน่ยเกิดสนิมตรงนั้นเนีืมยินบาวรเนี่คกโคกเราจะังกลางมันตันนั้นเนี่ยเสยได้ใครเด็กไปล่างกรลมกรลมกรลมเท่ห์ไอไปออาะตามตะปูที่แผงในตามฝาน ไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้างมันหรอกมหากรุงจะเคยมั่งคงจะเห็นมั้งเอาไปเกาะตามวานอันเนี่ยตอนเช้ามาบางทีเด็กมันเป็นเอาจส่งเต่งเป่งโอ้บาดจะบุกเลยเนาไม่นี้คือบาตมันจะทิ้งอยู่แล้วน่ะอืมันจะจันในบาตรได้ยังไงเหม็นมาแต่ก็ดีพราะเอาข้าวใช่ไหเอาบาตทิ้งขึ้นไปเด็กมันจะไปทำจ้ะ บางทีก็มันไปเรียนสบัดจะให้เด็กมันไปเรีนตบาดซื้ออะไรเงี้ไปอแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวนี้มันสมัยนี้มันภาชนะมันมีแล้วมันไม่อดภาสนะไม่ต้องกัดไม่บาตรแล้วเรียนชั้นสูงจะแก้ไปงั้นเนี่ยใช่แล้วไอ้คนที่มันมากไายมันนั่งอยู่เต็มเนียใช่ใช่ใไม่ต้องจัดไม่บาตแล้วสมัยก่อนมันไม่มีภาชนะเ๋ยอนี้เยอะแยะนี่แล้ว ฉันเพื่อนราบก็ยังไม่พอะกายขึ้นบนโต๊ะเลยเนี่ยฉันอย่างฝรั่งเลยนี่มันไปเรื่อยแหะครับอย่างเงียมันเจริญเป็นมาอะไรมันก็เสื่องไปแต่นั้นเนี่ยมันหมดผมที่พาลูกศิษย์ตุคหาจำเนี่ยฉันในบาทเนี่ยผมผ้าดำๆดิเนี่ยวันหนึ่งพระกรุงเทพเดินมาดูผมปวดเฉยเฉยฉันเนี่ยแลดูเออเป็นพระโบราณโบราณยังมีตุ้ดีมนแต่ดอกว่ะ เป็นพระโบราณโบราณอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนอืผมได้ฟังคำนี้เลยโอ้ยมันแสบหูเลยเกินนะอืเป็นพระโบราณโบราณอย่างนีข้อดีเหมือนกันคือเขาไป่นึกว่าจะทําอย่างนี้ไม่คิดว่าจะทําอย่างนี้มันล่าสมัยแล้วที่เราทําไปนี่ยเนีเขาจนเรียกว่าเป็นพระโบราณโบราณอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันไอ้ความเห็นมันเปล่นเชนนั้นไอะคนมีความรู้มีความรู้ปิชา ที่ไม่รอบรู้ที่ไม่ถึงรู้ไม่ถึงเนี่ยทําลายผิดต่างๆแต่นี้พระพุทธเจ้าบอกเลยเทศโบสถ์ไว้ว่าศาสนาสั า, าคตไม่มีใครจะมาทําลายน อ, นอกจากผุก้ิสถาคตจะทําลายนั่นไม่มีเนีย่ยตัวเรานี่ก็มันกันแค่นั้นใครจะทําลายตัวเรานี่ก็คือความคิดที่ไม่ถูกเราจะทําลายตัวเรา คือความอยากควาหนุนหลังก็เป็นไปการกระทํำชนนี่เพื่อปราบความอยากเท่านั้นไออยากนี่มันก็ไม่รู้นาคนบางคนก็นือ้ออิ่มได้บางคนอยากหยุดอยากแต่มันอิ่มแล้วไม่ใช่อิ่มกับอยากกันมาคนนาทีมาคนอนาฬิกาคนบางคนกั น, น, น, นกอิม่มได้มก็อยากจะเอาห่อไว้อีกเก็บไว้ ไม่พูดถึงแต่คนเลยผมเคเห็นสุนัขตัวหนึ่งมันหิวหินเอาข้าวมันกินมันสดสกายมันกินน่ให้จานหนึ่งสองจานกินหมดสามจานสี่จานอิ่มแหละเหมือนสัตว์สับคนเราคนก็เหมือนสุนัขสัตว์ยานั่นมันย่อยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้อืมคําสอนพระพุทธเจ้ามันเป็นมีอํานาจถักฐารกันเลยทีเดียวกับสิริจั้งหลายถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไร แต่คนเราก็เห็นว่าสู้ไม่ไหวน้อยที่จะมีศรัทธาอย่างนั้นอืมฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งบาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้นะมันจะมอบกายสวายชีวิตแะต้องๆไม่ต้องไม่ต้องไปสัน้นดุสเินไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปคุยถึงเรื่องอะไรที่มันสนุกสนานต่อยจริงๆแล้ว บางคนก็เข้ามาไปคุยๆกันจะตื๊ดจะเข้าคุยกันเนี้ยจะทาอะไรออกไปเลี้ยงหูเลี้ยงไก่ในตัวไรวุ่นวายยังไม่ตึกดเลี้ยงไก่อย่เนี้ยเลี้ยงหูแต่เนี่ยอะไรอะไรกันหมดเลนเราสาธารณมีเวลามันน้อยเราจะบวชในน้อยเพราะฉะนั้นมันคือเราทํำใ้มันถูกต้องทุกคน ทุกอย่าง เ, าเราจะทิ้งมันเมื่อเราจะต้องทิ้งมันได้เราจะต้องพิจารณาเห็นว่าสิ่งนั้นควรจะทิ้งเราจะถึงทิ้งมันได้อะไรที่เราระมันได้เราก็เห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเราหน่ะจึงละมันได้ที่เราปฏิบัติได้เช็นนั้นก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ร้อยเปอร์เซนต์เราจึงทําประโยชน์กันได้อจานี้ทุกคน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 ซึ่งวดเก่าๆก็เอาสิบางทีเห็นพระเห็นพระกรรมาฐานมีจําเบืองตาดูไม่ชอบกันแล้วคิดแบบมันทําบาบาบอแต่นเนี่นี่ยมันไม่ใช่มันใช่ครั้งต่อพระติจา้ามันหมดมรรคผลแต่แรกมันทําอะไรอ่ก็เลยไปสอนลูกอย่างอย่าไปําเลยมันหมดแตแล้วนะอืมที่ชุนไป้สงครามมันหมดแล้ว อ, อ, อย่างนี้อาจไปพูดได้อย่าหา อันนี้พูดเราเล่าให้ฟังเราทางเราจะต้องเดินผ่านไปตรงนั้นเนี่ยที่เราพูดฉะนั้นามาเปลี่ยนที่เรามาพัฒน์ปฏิบัติมาเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความรู้มันเปลี่ยนความเห็นถ้าเราเปลี่ยนได้เนี่ยมันตายพระพุทธเจ้า พ, จะจาพระรัตนตายท่านเกิดเกิดขึ้นในท่านก่นตาย ไอ้ความชั่วทั้งนี้นมันตายดีนามธรรมาของท่านแต่ก่อนความชั่วมันมีอยู่แต่รูปประธรรมนามประธรรมปฏิบัติมาเห็นได้เป็นต้นมันตายแต่การตายที่เกิดได้ไอ้ความชั่วทั้งหลายเห็นโทษมันมันตายออย่างงั้นพวกเราทั้งหลายทุกๆุกคนจงประกันตั้งอกตั้งใจนี่ก็พระที่จะตั้งใจจาพรรษากับผมเนือนนี้ ที่ผมได้บอกไปนั้นก็คงเข้าใจกันแล้วแตบบ่กับผมขออาภัยด้วยมันผิดถูกก็ไปพิจารณาดูเถอะให้รู้ในใจของท่านท่านร้ายก่อนที่จะมาจำํำรรษาที่นี่นะโดยว่าเราจวนจะจำํำรรษาถึงจะไปจํำภาษากันไม่ได้แคที่อื่นได้ที่นี่ไม่ได้จะต้องมาฝึกกันแค่ก่อนดูเรื่องกันแค่ก่อนว่าเขาทาอะไรต่ออะไรกันไหม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 ประธานในวัดนั่นชอบเราไหมเราชอบข้อวัดปฏิบัติธรรมไหมต่างคนก็ต่างชอบกันทุกทุกคนอยู่ด้วยกันได้ปสบายจึงเข้าขอนิสยัยให้มันมีนิสัยก่อนเข้าขอนิสัยเลยเอาเป็นที่พึ่งที่พรมนักของเราสารกปสาระว่าพอเรียนกรรมาฐานต่อไปอันนี้ยังไม่รู้เรื่องมันก็ลําบากอยู่เวลามันน้อย ทำไมถึงทาอย่างนี้ผมเคยเห็นมาแล้วเคยทำมาแล้วเคยเป็นมาแล้วถึงทาอย่างนี้ฉะนั้นพวกหน้ากันหลายนะั่ยต้งตั้งใจอย่างน้อยฝึกหัดใจอาจารย์ชูพยายามฝึกหัดให้อทิตย์อยาก็จะบวชเป็นเนรบวชเป็นเนรแล้วอยู่ไปอีกประมาณชั่อาทิตย์คืออาทิตย์กว่า ฝึกผมผ้าถึกอะไรต่ออะไรหลายอย่างเป็นก็ผลีหน้าที่ดังมาแลว้วก็บวดเป็นผ้ากันตบวดเป็นผ้าแล้วต่อ น, นั้นไปก็เป็นโอกาสที่อือาจารย์ตามสาขานั้นจะมารับไปเมื่อรับไปกระตังม อ, อกฝากในท่านเป็นตัวแทนแนะนำสัมร้อนต่อไปอย่างนั้นให้อยู่ใจโอวาทธรรมคําสอนของท่านแล้วคนอื่นที่มาบวต่อไปกระตอกันไปเรื่อยอย่างนี้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 ถ้ายังไม่เหมาะสมผมไม่รีบบวชให้บวชแล้วทำไมบวชมาทําความชั่วบวชมาทําความผิดบวชมาทํำไม่เรามาบวชเพื่อจะหาบุญหากุศลนี้ถ้ายังไม่สมควรผมไปบวชให้ถ้ามันสมควรแล้วก็บวชให้อายุยี่สิบปีคราบริบูรณ์แล้วบวชเป็นสมานิมถึงวันท้อพรรษาบวชสมัชชานพรรษาเลยอยู่ไปถึงเดือนเก้า ดันทิดมันก็ยังได้บวชให้ก็เป็นพระได้พัรษารับกระถินได้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกันขนาดนีนนะยังดีกว่าที่เราไม่รู้เรื่องอะไรพอบวชก็เป็น ไ, ไม่รู้เรื่องอะไรไปทำผิดจะไปทำบาปแค่นี้ไม่ค่อยดีอันนี้พูดให้ฟังให้เข้าใจทำไม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 ไม่ตรงอะไรเรียกว่าทุกวันนี้เขาจะเราบวชแล้วอย่าไปยึดมั่นในเราบวชแล้วเท่านะั้นเราบวชแล้วทำกองเพียรแล้วถูกจองในบวชแล้วที่จะบวดเป็นพระเป็น เ, เนรเมื่อถึงตามงเมื่ อ, อไรก็ได้เมื่ อ, อไรก็ได้นายศานีอยู่กรุงเทพเคยมาบวชอรางแก่ใจกลางจะมาบวช ไม่เคยฉันจังหันอย่างนี้ไม่เคยทำอย่างนี้มาอยู่มันหอมไอไปอยู่เกือนทำงหนสยันตัวเล็กลับไปบ้านคุณนายเห็นเห็นพ่อไม่ไปยสบายมันหอมลูกสาวก็เห็นเล้วก็หอมร้องไห้รลัว่ามันหอมลงไปอย่างนี้เจ็นต้น แต่นายสัญิษี์อยู่สบายผมหลายคนให้แต่คนมันพอของคือคนไม่มีปัญญาคนโง่เข้าไปถือเอาเนื้อเอาหนังเป็นประมาณอย่างนั้นก็ไม่มีโรคไขอะไรการทระมาณเป็นอย่างนั้นเจ้นี่ก็ดีคือเจอบวชมาในก็ได้ไม่บวชก็ได้เมื่ออยู่นี่ไม่รู้ว่ากีเรียนนี่ไม่มาบวชเป็นเนี่แต่อายุตั้เกือบเกิดเรื่องออแล้ว นี่<ม>การบวชไม่ต้องรีบ<ม>ทำเมื่อไหร่มันได้เมื่อนั้นสมควรแนยไปเป็นกรรมมันถึงดีอันนี้ให้รักการเข้าใจมไม่ใช่มาบวชแร้วมาแล้วนะบวชไม่ฝึกมันลำบากยากมันลำบากมากเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ย อาฉะนั้นพระสุโวงที่มาอยู่เนี่ยก็คงจะได้รับฟังอะไรอะไ ๆ, ๆหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระที่ตั้งใจจะมประจำนิสานี้่ะแล้วตาผมขออาไปด้วยเนอ่ยองค์ที่จะได้อยู่ก็อยู่ไปมีตามชื่อมีองค์ที่มาอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ให้ไปพินาเลยที่ผมพูดอย่างนี้มันมีอะไรไหมในใจของเามันมีอะไรหรือเปล่า ให่มากให้ไปดูเอเองที่มันเหมาะสมดรืยองอเหมาะสมนั้นนี่ไปมีอะไรัหมในวงการที่ประชุมตั้งนี้มีอะไรัหมมีความเห็นอะไรไ้มวันนี้เป็นบรรจุ ในการปฏิบัติในคณะสงฆ์เราปฏิบัตินี่มันเป็นทางเสื่อมเสียหายมีอะไรบ้างเนี่ยประชุมการประชุมกันเมืองนิดอยาจะไปคุยกันเมืองนิดประชุมกันเมืองนิดไม่ใช่าชมารรมบบประเด็นไปหยอกกันเมืองนิดประชุมกันเมืองนิดเจ็ดวันที่ผ่านมาคั่งพอแล้ว เรื่องปฏิบัตินั้นบางคนก็อยากจะได้ว่านั่งสรรมฐ า, านมันสงบสุขนึกว่ามันจะสงบเขารีธาบวดมานั่งนี่แห่ความเห็นคนเป็นมีสงบอโอ้โหไอความสงบสงบนึกว่ามันเป็นของง่ายนึกว่ามันเป็นของง่าย มาทิก็มานั่งกลับฟันอะไรเงี้มันสงกไปมันยิ่งไปกันใหญ่แล้วหมดถ้าหมดทางมันมีทางที่สงบก็ไม่มีอะไรมากมายอเรื่องเรื่องทับจิตมันในสงบเรื่องจิตของเราเนี่ยมันมันรู้สึกเนอกคิดไปหลายอย่างที่นี้เราจะทำให้มันเป็นอารมณ์อันเดียวแต่แต่นั่งออนไลายอารมณ์นี่แหละ ก็เลยพยายามหาอารมณ์มันเดียวอยู่นั่นนะแต่อารมณ์มันเดียวก็ไม่รู้จักนะแต่อยากเป็นเช่นอารมณ์มันเดียวเนี่ยไอความเป็นจริงจิตของเรานั่นน่ะมันเล่นกับอารมณ์มานี่กต่เจอมือมันเกิดมาแล้วแต่วันมันเกิดมามันเป็นเพรามันอยู่ที่นี่ เราจะมารถแต่มันน้อยลงไปในอารมณ์ทั้งหลายนั้นแต่เดี๋ยวว่าจัดมันดอกแค่ว่ามาภาวนากันจช่เอาอะไรมาแทนมาแทนได้หลายอารมณ์นั่นนะมีอารมณ์เดียวบางทีมันมีแค่มันมีโหลมันมีก่องมันมอะไรหลายอย่างบาดนี้เราทิ้งมันเดิไม่ต้องเอาไปนะเราจะเอาวัตถุอันหนึ่งมีถ้วยใบเดียวเลยเอาเท่านี้ไอ้ขวดเอ้จานไอ้จังๆมันได้ เรียกว่าภาวนาพธโตนันั่งคัดสมาธิเรียกว่าคัตสมาธิขาขวาจับขาซ้ายมือขวาจับมือซ้ายต่างกายมันตรงไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องทำอะไรมากแลาภาวนานี่ยค่ค่ายไวาเราจะทำอะไรเงี้ยเจ้าวไว้เนี่ยทำมาตั้งอะไรนี้ ตั้งไว้หนึ่งนาทีแล้วให้ท่านหยิบแก้วใบนี้มาตั้งที่นี่หนึ่งนาทีได้หนึ่งนาทีแล้วก็มาหยิบแก้วใบนี้ไปตั้งนี่หนึ่งนาทีสมมุรณ์ตอนนี้นทําอยู่อย่างเนี้ยท่าในท้งตอนนี้เรื่องอื่นๆนั่นท่านไม่ไม่คิดไม่ให้รู้เรื่องมันจะไปยังไงตอนทำแก้วใบนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้มีอารมณ์หลายอย่างให้มันมีตอนนี้ตั้งนี่หนึ่งนาทีสม้วมาตั้งนี่หนึ่งนาทีแลไปยกไปตั้งนี้ ธุระที่จะทําให้จิตสงบมีธุระเท่านี้ไม่ให้มากถ้าว่าทําไปจะทํามันไปทำไมเนาะ อ, อยากคิดไปทำไมมันเป็นอะไรอยากคิดมันไปคิดไม่ถึงเมื่อก็ไม่ตามมันนี่ก็เปรียบารมหายใจเข้าออหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไปหายใจเข้าออกรู้จักมันตั้นรู้จักว่ามันยาววางไว้พาะคหน้าอย่าไปเพ่งตรง ท, ที่หัวใจเนะี่ย อหัวใจตรงนั้นที่ดีกว่าจิตไม่ใช่หัวใจตรงนี้มันความรู้สึกของเราเนี่ตามตัวมันมีอารมณ์มากกว่าจังมันเรื่องอารมณเข้าไปก็รู้ออกก็ ร, รู้มันยาวก็รู้มันสั้นก็รู้มันรู้ความรู้สึกอะไรมันเกิดขึ้นมันก็แยกงอันนี้บางทีมันดื้อลมหายใจตั้งใหม่อารมณ์หายใจแต่พุทโทพุทโธพุทโ ท, ท, โทให้มีสติอยู่น่นทําไปทําไ ป, าไปางี้เรื่อยๆไป มันไม่สงบไม่สงบก็ชจางมันมันทั้งทําใหม่ทำไปอยู่อย่างเนี้ยอทํำไปมันมากแต่เจริญเนี่มันมากแต่ทำไปมันมากเจริญเนี่มันมากไอความรู้สึกทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นดีการทําอยู่อย่างเนี้ยที่มันจิตสงบก็ไปแล้วเป็ตอนนั้นก็สงบเข้าไปเรือแต่ลมเข้าออกเสมออยู่แล้วก็จะเห็นแค่เอออันนี้มันก็สบายดีเหมือนกันนะ อันนี้มันมีอารมณ์เดียวมันไปวิ่งไปอื่นแต่ น, น, นานๆมันเป็นทีหนึ่ง น, น, นานๆเป็นทีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆทาของเราไปเที่อยๆอาการทำํำอย่างทาไปเรื่อยๆการยืนการเดินการนั่งนอนเป็นแต่เราอยากเข้าใจว่าการนั่งสมาธิอย่างเดียวเรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้มีสติมีสังขปัญญะมีความรู้สึกอย่างนี้ นี้เดีวเราไม่ทิ้งมันบางคนออกจากสมาธิแล้วกเดี๋ยวเราเลิกแล้วก็เดียวไปมันเป็นกายมันการเป็นกายเปลี่ยนแปลงกันนั้นแหละไอ้ความรู้สึกของเราให้เราอยู่อย่างนี้เช่นว่าเราทำงานเราทำงานอยู่อย่างนี้ไม่เสร็จแล้วเรากลับไปบ้านทียความรู้สึกของเรายังมีอยู่ในงานนั้นหรืออยู่ในบ้านมันก็มีอยู่นี่งานยังไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จ เมื่อไรจะไปเมื่อไรจะปลาเมื่อก็ปลารุกขึ้มาอยู่เรื่ยๆอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นเรียกงานนี้่จบเสร็จเราเหมือนกันเรามีการสังวรมีการสังรวมมีสติมีสัมปสัญญะอยู่สติคือความระลึกได้สัมปสัญญะคือความรู้ตัวมันเป็นชื่อของอาการทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมีสติมีสัมปสัญญาสองอย่างสติความระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ระลึดไปในการกระทําในการรู้ตัวอยู่ทั้งในสองอย่าง สองอย่างนี้เป็นเหตุให้ไปดึงปัญญามาดูปัญญาเกิดสติมีสัพพัญญามีความรู้อยู่แตวมีความรู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้แล้วมันก็เกิดดึงเอาปัญญามาด้วยปัญญาก็มาช่วยมารู้อันนี้มารู้สติอันนี้ดูสปัพปัญญานี่รู้สิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมามันจะแตกฉานขนในการกระทําอย่างนี้ความสงบ ม, มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอก ม, มันจะสงบบ้างก็ยังมันมันไม่สงบบ้างก็รากมันเถอมันเป็นเรื่องของธรรมราของมันอย่างนั้นอันนี้เราจะต้องทำอย่างนี้เรื่องการทำกรรมฐานนี่ปฏิบัตินี้คนเราก็เดี๋ยวทำแต่เมื่อเราขยันเมื่อเมื่อเกียริค้านก็ไม่ทำอันนี้มันก็ไม่ถูกแหละไม่ต้องว่ากันในเรื่องขยันเรื่องเกียริค้าน ก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆไปขยันก็จังมันเถอะเกลี้ยกล่้านก็จังมันเถอะแค่ต้องทําอย่างนี้เรื่อยไปนี่ว่าทาาาาาาาําการตัดสินใตไปเรื่อยๆธรว่าวันนี้ขยันก็ทําไม่ขยันก็เลิกนี่มันก็ทําตัวเรานัรน่องเนี่ยมันทํามันทําตามความคิดของเราทําตามสิเดิตของเราเท่านั้นเนีะมันจะไปแค่ไหนกันเนี่ยเมื่อขี้เจียจ ก, ก็ไม่ทำเมื่อขยันก็ทํา จะไปปฏิบัติที่ไหนมันก็อย่างเก่านั่นแหละไม่อย่างอื่นเนาะมันจะขี้เกยียจไปจังมันทําขยานันไปทำขี้เกยียจเปทำนี่ทําอย่างนี้นี่เราทําตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทําตามของเราเมือ่อขี้เกยียจก็ไปทำขยนันถึงทำนี่มันจะไปถึงแค่ไหนเละมันจะตัดกระแสขี้เกียจเมื่ออะไรมันก็ทําตามใจของเราอย่างนั้นแค่ น, นั้นทำจริงไอ้สติอยู่มี ส, สัมปัจจะยะอยู่ จะมีความรู้รอบอยู่เสมอนะทำไปออกจากการนั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรปรึกิจารณาด้วยมีสติอยู่มีสัมปัชย์อยู่มีปัญญาอยู่ด้ว ย, วยไม่ลืมตัวอันนี้มันจะเป็นมิตรใสอันนี้มันจะเป็นปัจจัยอันนี้มันจะเป็นพลังอันหนึง่ง <c oughs> มันน้อยดายมันมากเป็นมาแล้นี่ดีกว่าท่านเดีกว่าการเจริญ การเจริญภาวนาเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเราก็ไปอยากใจมันสงบไปนั่งเลยไม่ส่งไม่มีบุญได้หนิถึกไปอะไรทั้งหลายเลยมันคิดไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเดียไปทำตามใจของเราได้ไง่ายๆบังคับบรรจามันไม่ได้อันนี้จะต้องทำใจให้มันเย็นเย็นจะต้องอดทนต่อการกระทำต่อธรรมะคำสอนอยู่เสมออย่างนี้ดี ฉะนั้นทุกคนก็ปรกันเข้าใจการปฏิบัติอันนี้ปฏิบัติไม่ใช่บีบัตดนะปฏิบัติถ้าเรามาปฏิบัติก็ต้องการทําทางกายทางจิตของเราถ้าบีบัติแล้วมันก็เสียหายฉะนั้นเนี่คือเกียรติท่านไม่กลา้าทําไม่ทําตามไม่มีศรัทธาบางคนกระโวดสมาด้วยศรัทธาแต่ก็มาย่ํำดี คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รูปตัวเหมือนกันฉะนั้นในกลุ่มปฏิบัติที่ตะ ว, วันมันมีน้อยมันมีน้อย<ม>ที่ผมองคเดียวครั้งแรกว่าฟันอุปสรรคมาอย่างเนี้ยครับอ<ม>ื<ม>เรื่องอุปสรรคนั้นนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับมไม่ต้องพูดถึงหรอกมันมาก<ม>ที่มันไม่ตายมันยังอยู่เอย่างเนี้ยมันฝืนเนี่ยฝืนทางครูบ า, าอาจารย์ฝืนทางอะไรใครทั้งนั้นเน่ยมันฝืนมา เพราะว่าไม่ถูกเรไม่เอานั้นไม่ดีก็ให้มันตายในชะ่ไหมตายไปมันดีไปนะพูดสั้นๆไปอย่างนั้นเนะี่ยลำมากี่เรื่องการปฏิบัติมันต่างกันฉะนั้นพวกกันทั้งหลายนี่ก็ปฏิบัติมากบาก้างแล้วก็มีเริ่มจะปฏิบัติก็มีแนี่ยเประกันเข้าใจจวนต่อไปนี้ประมาณ3เดือนเนี่ยเรเข้าพรรษแล้วเฉะนั้นวันนี้เป็นวันประชุมแต่ก็วันพระ แก็ได้นําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาพูดในกลางให้เข้าใจใจะว่าอ่าผู้ที่ได้อยู่หรือได้ไปนั่นก็ไม่ต้องไหม่ดีใจก็ไม่ต้องเสียใจอะไรมันเป็นเรื่องขธรรมดาเราไปอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ปฏิบัติตรงนี้ไปปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็ได้อย่างท่านที่วันตั้งวันนี้ผมเทศโยมก็ฝังวันคืนร่วงไปร่วงไปปฏิบัติที่เราทําอะไรอยู่นี่มันกสําคัญเดียวนะนี่นะ ไม่จช่ว่าไม่ไมสําคัญนะแต่ว่าพูดเฉยๆดัในใจตัวท่านไม่อยู่นะฟังแล้วก็เจนนะอเัยตอนนี้ท่านกําชับพวกเราเรือเตินนะว่าเราทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ให้มันให้มันเห็นเจ้าของถ้าเราไปอ่านหนังสือแนละ้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลย ว, วันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่แต่มันก็ไม่เห็นเจ้าของเท่านะั้นแหละถ้าเราเห็นเจ้าของฟังเท่านี้ก็กําชับแล้วครับรู้เรื่องแล้ย เป็นยอดสุดแล้วว่าเราทําอะไรอยู่ไม่เห็นถูกแล้วหรือผิดแล้วมันมีทางเป็นทางหรือไม่ใช่ทางเราเนี้ยอันนี้มันต้องคิดคน้นคนดูครับมันเจึงตัดสินในที่สงบอย่างนี้นแล้วก็ยังว่านะอันนี้มันก่อนมันต้องเป็นเป็นท้องพูดพูดมายากเราครับให้มันทํายากเหมือนกันผมเคยมีเพื่อนเหมือนกันสมัยก่อนเป็นนักเรียนนะ ก็ปรเรียนหนังสือเรียนแปลธรรมบุตไอ้สิ่งที่เราแปลไปนี่มันรู้แล้วกันเท่านั้นนะอืรู้ละแต่แปลทำการไปการมาการอยู่การกินการนุ่นการนั่งการนอนสารพัดอย่างต้นไม้ภูเขาสัตว์เรื่องทั้งหลายเรารู้กันหมดแล้วนี่ครับพูดตามภาษาไทยนะเรารู้เรื่องเนี่ยแต่เราให้เป็นแปลเป็นภาษามคตรเท่านั้นนผะมว่ามันก็ไม่สําคัญเลยหนักหนาตรงนี้ เข่เรียนภาษาแั้วเท่านั้นนะอย่างผมไม่ได้ภาษาสเหม็นคเรียนภาษาแสเหม็นเขพูดภาษาเหม็นได้มันจะเกิด อ, อะไรมากมายนะเท่านั้นเป็นหนึ่งภาษาแต่มันก็ดีอยู่ครับมหนึ่งก็ดีส่วนหนึ่งนะเรื่องเอเท่านั้นถ้าหกว่าเราปฏิบัตินะครับนะปฏิบัตินี่มันไม่รู้เราจะปฏิบัติยังไงครับมันต้องรู้ปฏิบัติ นะมันรู้ยังไงมันก็รู้นั่นแหละเช่นว่าโยมเอาผลไม้อันหนึ่งมาถวายเรานะไม่รู้จักชื่อมันอแต่เรารู้ว่ารสมันหวานมันอร่อยเรารู้ครับมันรู้มันรู้แต่เราไม่รู้ชื่อมันเป็นผลอะไรนีผมาไม่จําเป็นมันจําเป็นจะรู้รสมันหวานมันอร่อยไหมนี่มันจําเป็นมากครับ นี่ผลอะไรนี่ไม่จําเป็นเท่าไรครับถ้ามีใครมาบอกก็จาไว้ก็ได้ถ้าไม่รู้ชื่อมันก็ปล่อยมันทิ้งก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเรารู้ชื่อมันอีกมันจะมีรสหวานเพิ่มนอีกก็ไม่ใช่ครับมันจะมีรสเปรี้ยวเพิ่มอีกก็ไม่ใช่ครับถ้ารู้ชื่อมันในไม่รู้ชื่อมันมันก็อยู่อย่างนั้นหละครับเหมือนกับเราฉันอาหารนี่มันอร่อยเนี่ยครับเราก็รู้ว่ามันอร่อย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 รู้จากการปฏิบัติรู้ถึงเนี่ยมันละในความรู้รู้จากการเรียนรู้เลยมันในละนะก็มันยิ่งแน่นต่อไปอีกนะมันมัดเราต่อไปอย่างนี้นี่มันยอมใครใช่ไหมครับนะเช่นคําว่าไ อ, อ้ดุคนนี้เขาบอกก่อนหินนะเราว่าก่อนหินไม่ใช่าก่อนนี้ก็ไม่ใช่เรายอมก็าได้ครับหยุดนะ ถ้ารู้ตามเนี่ยตายเป็นตายก็ไม่ยอมแล้วมาก่อนหินแต่แท้นี่เนาะนะเล่นกันจนถึงถึงถึงสิงครับถ้าเรารู้ถึงเรื่องของมันเนี่ยไงเขาอะเราก็หินส่อไม่ใช่แล้วว่ากอนหินส่อไม่ใช่สองคำทางหยุดเนี่ยะพอแล้วยอมรับอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องครับนี่เดี๋ยวเราเรายอมรับว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้น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 เนี <N ee> ่ยเพราะอันนี้แต่ความเป็นจริงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นธาตุอันหนึ่งเท่นั้นแหละใครจะว่ามันเป็นหญินก็ไม่รู้มันเป็นที่สมมุติขึ้นแต่นั้นแหละถ้าเรารู้ถึงโน้นเนี่ยก็มันก็ออกนแต่ถ้าเราไม่รู้ถึงขนาด น, นั้นต้องเอาหินนี่นั่นแหละกลายเป็นข้ากันเนี่ยข้ากันเพราะหินก้อนนี้แหละไอ้ความเป็นจริงไม่รู้มันเป็นหญินหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นอยู <N> ่ทั้งหมดถ้าเราคิดเชนี้เราก็ยอมรับคมสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่สบายตอนนั้นนี่เรื่องยอมรับของท่านในความรับอันนี้มันเป็นของที่สำคัญนะครับมันเป็นของที่สำคัญเราหยุดมันได้ครับก็ของสมมุติขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยอย่าไปยึดมันถือมันมาในสายหินสองสามคาเขาไม่ใช่แล้วก็เลิกมันก็หมดแค่นั้น นี่เรายอมรับพระพุทธเจา้าเรารู้เรวมันละในยึดหมา ย, ยาแต่เราก็พูดตามเรื่องเขาเขาสมมติกันว่หินเมื่รก่อหินว่าของเขาว่าตามเรื่องของท้องถ้าไปถึงที่ไหนก็ไม่ใช่ทํา่องคำแล้วก็หยุดได้นี่จ้ะอย่างนี้นก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้ว่าอืมแเออเราเน่ยนะเรากระปวดมาแล้วนะ ในทางพุทธศาสนาจะยอมรับมาแล้วมาบวชเลยเพราะวมื่อคนเห็นโทษมันอโทษมันจริงทิ่เราออกมาแล้วะเห็นโทษมันจะถ้าเราไม่เห็นโทษมันจะออกมไม่ไดนะ้ออกมาแต่เราใช้อันนั้นอยู่ด้วยปัญญาของเรานะมันก็ไม่มีอะไรครับเราใช้อันนั้นอยู่ถ้าอยู่ระอันนั้นเนะี่ยแต่เราใช่้วยปัญญาของเรา แต่เรายอมรับแล้วว่าใช่อยู่ะเ่ไม่ให้มันมีโทษมันวางมันละ